อนาปติวนันพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1,083 1. พิกษณีบวชให้ศิกขามานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอด2ปี 2. ภพิกษณีวิกลจริต 3. ภพิกษณีต้นบัญญัติศิกขาบทที่ 3. จบ